นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดผ้าออนไลน์ทางเพียวธรรมะคอมอารามาพระไพบุญอภิปุนโนจากวัดป่าตาไหนโศกทุกสัปดาห์ก็จะมากับคุณหมอนัทพงศ์ครับกราบน้ำมศการและสวัสดีท่านผู้ฟังกระผมธนแพทย์นะัทพงศ์กนกวิรุณจากกรุงเทพครับวันนี้ตอนเอพิส od ที่50าสครับ50แล้วเกือบปีบแล้วที่เราทำรตรงนี้ม า, าบางท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าไอ้ทําไมขึ้นหัวนี้เหมือนกันทุ้กต้สัปดาห์เลย เนืจริงๆก็กำลังคิดถึงว่าจะทํำจิงเกิลเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจิงเกิลเปิดหัวรายการนะรจะได้ไม่ต้องมาพูดซ้ําๆย้ๆยํำๆเหมือนเดิมก็ไม่รู้จะทํำยังไงเอาอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าในวันนี้เรามีเรื่องที่เราจะพูดกันอยู่ครับที่เป็นเรื่องต่อเนื่องนะในซีรีส์นี้เรากําลังทําเรื่องของแผนที่ชีวิตกันอยู่ใช่ครับนะซึ่งอันนี้สืบเนื่องมาจากการที่เออมาเนี่ยหลังจากที่เราใช้ชีวิตคารวามาพอสมควรใช่ไหม ขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวาไปตามเรื่องตามราวเรามาพอศึกษาคําสอนพระเจ้าแล้วเนี่ยเราพบว่าโอ้โหถ้าเรารู้ข้อมูลนี้ตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่เรารยังอยู่ในปฐมวัยเนี่ยเราจะเราจะเราจ ะ, เราจะสบายกว่านี้เราจะไม่ผิดพลาดอย่างนี้ในชีวิตเราเราจะไม่มีความทุกข์เท่านี้ในชีวิตเราเราจะรวยกว่านี้ในชีวิตเราได้มีความคิดอย่างนี้แล้วก็มีลูกศิษลุกหาที่เขาเพิ่งแต่างงานเนี่ยมาขอพ ร, รที่วัดในขณะเดีวยวกันก็มีคนที่เขาเลิกกัน มาขอคําปรึกษาเฮ้ยทำไมไมันเป็นอย่างนี้ก็เลยเป็นเหตุให้ได้มีความคิดว่าจะเอาข้อมูลพวกนี้มาอธิบายขยายความแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการหลีกเล้นทําให้เราเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นับในการคุยกับหมอรัฐพงศ์นั่น ค, คือการที่สารกรฉาเนี่ยมันทําให้มีประเด็นมันแตกออกมาแต่ผะว่าอาจารมาไม่ได้มาคุยตรงนี้เองนะตัวเราเองก็จะไม่ได้แตกฉาน ในพุทธภาชนะมากเท่าอย่างที่เราเป็นอยู่เพราะฉนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีมากที่เราได้มาคุยกันฟังตามท่านบุฟังถามมีคําถามนี้เราจะตอบอย่างนี้ถ้า<ม>บางทีคําถามนี้ไม่มาเราก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้คุดคุยไม่ได้พูดอะไรคือมันก็พังออกมาเนื่องจากความที่มันเป็นได้มีสมาธิในการกรีเรนอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้จึงจะมาต่อในเราได้พูดถึงอะไรไปแล้วเนี่ยเราได้พูดถึงหน้าที่ของสามีภรรยา ใช่ครับโอ้โหนั้นได้ถึงตอนครึ่งโดยซ้ำใช่ครับยาวทีเดียวเรื่องของลูกในอีกครึ่งตอนตอนที่สามนี้ซึ่งเป็นเอพิโซดที่ห้าสิบตอนที่สามในเรื่องของแผนที่ชีวิตเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการใช้จ่ายเงินอการใช้ทรัพย์ครับและก่อนที่จะใช้จ่ายเงินเนี่ยก็มีคําถามจากท่านผู้ฟังที่ใช้นามาผู้ศึกษาและปฏิบัติครับก็คือถามเรื่องเกี่ยวกับคนที่คนส ต้องอยู่คนเดียวนะครับคนโสดก็คือในยามที่ตัวเองแก่ไม่มีลูกหลานดูแลหรือว่ามีคู่แต่ว่าคู่ครองเนี่ยตายจากไปก่อนนะครับท่านบอกว่าคนโสดหรือคนอย่างเงี้ยที่ที่เป็นต้องอยู่คนเดียวเนี่ยจะกลัวว่าตอนแก่ๆจะไม่มีคนดูแลเผื่อเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยเพราะท่านกังวลว่าในปัจจุบันสังคมเนี่ยจะพึ่งคนอื่นหรือว่าญาติพี่น้องเนี่ยค่อนข้างยาก ก็เลยจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าในประเด็นนี้จะวางใจวางตัวอย่างไรครับอืุ้ยถ้าเรื่องของคนที่จะมาดูแลเรายามแก่นะมีลูกแล้วมันยังไงอ่ะมีลูกบางทีลูกก็ส่งเราไปเขาเรียกอะไรสถานเลี้ยงคนชราเออบ้านคนชราโยแม่อาตมาสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่นะบอกกับอาตมาอย่างนี้เลยนะตอนที่เรายังเป็นเด็กๆเด็กๆเลยบากว่าลูกถ้าแม่แก่แล้วเนี่ยอย่าส่งแม่ไปบ้านเลี้ยงเด็กเลี้ยงคนชรานะอืบอกนี้เลยนะ ครับข้อห้ามเลยมาห้ามเลยเพราะว่าทําไมท่านถึงพูดอย่างนั้นเราก็จําคํานี้มาตลอดเลยนะแล้วพอเราตขึ้นมาอีกหน่อยเราก็ไปดูว่าสภาพบ้านงคือมันไม่มีความสุขหรอกหมอรัฐพงศ์เขาไม่ได้อยู่กับลูกหลานอืก็ถามว่าคุณมีลูกไหมคนที่ไปมีนะหมอมีไม่น้อยจนมีเกินครึ่งหกสิเปอร์เซนด้วยซ้ําที่เขามีลูกอยู่แล้วนะแต่ว่าต้องมาอยู่บ้านคนชราโอ้โหนี่ยิ่งช้าใจหนักเลยนะใช่ครับเอ่า แล้วอยู่บ้านคนชราที่เป็นแบบสถานสงเคราะห์ด้วยนี่โหยิ่งช้าใจหนักเลยลูกไม่ส่งด้วยซ้ําอืำแล้วถามว่าบางทีลูกตายก่อนเราเป็นได้ครับบางทีลูกเป็นลูกเขายว่าปิตยาปิตุมันไม่แน่ไม่แน่ครับแต่พอพอคนที่เอเราไปดูคนที่ดูแลคนที่ดูแลจริงๆเนี่ยลูกที่มาคอยป้อนข้าวปรน้าก็ส่วนหนึ่งในส่วนอื่นก็เป็นคนจ้างบ้างส่วนอื่นก็เป็นคนที่เรานับถือกัน เป็นเป็นพ่อเป็นแม่เขาเข้ามาช่วยทําก็มีเราก็เคยเห็นครับเพราะฉะนั้นเราต้องอลูกหลานเนี่ยถ้าคุณมีนะเพราะว่าเราจะต้องฝึกให้เขารู้อริยสัจฝึกให้เขามีธรรมะรและ้วคือบางคนเนี่ยพอไปอยู่บ้านพักคนชราแล้วก็ยิ่งเศร้าใจหนักมีคนดูแลทางกายก็จริงแต่ว่าใจนี้ป่วยอกายป่วยด้วยใจป่วยด้วยนะคือทําไมสัตว์ที่เอื้อเฟื้อมาดาบิดาเนี่ยถึงมีน้อย อันนี้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สัตว์ที่เอื้อเฟื้อมารดาบิดามีน้อยเนี่ยเพราะว่าความที่ไม่รู้อริยสัตว์อสัตว์บกทําไมมีน้อยสัตว์น้ํามีมากเพราะความที่ไม่รู้อริยสัตว์อย่างปูอย่างปลาอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ใช่ครับคือถ้าเปรียบเทียบกับกระต่ายกระต่ายฉลาดกว่าปูและปลาเพราะอะไรเพราะกระต่ายเป็นสัตว์บกอ่าทําไมสัตว์บกมีมากมีน้อยกว่าสัตว์น้ําสัตว์น้ามีมากกว่าเพราะความที่รู้อริยสัตว์สี อันนี้พูดนี่ปูปลานี่ไม่ได้หมายถึงเรื่องการเมืองนะอันนี้พูดถึงชื่อสัตว์เฉยๆสัตว์จริงๆแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือความที่เขาไม่รู้อริยสัจสีนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องสอนลูกถ้าคุณมีลูกคุณต้องสอนลูกให้คุณรู้อริย ส, รสั์สียมันมันหนักไปหรือเปล่าลูกนั้นเด็กไม่เลยนั้นของดีก็มีสมมติเราเอาข้าวมาจานหนึ่ง ั น, นี่พูดถึงเรื่องเลี้ยงลูกด้วยนิดหน่อยหนึ่งนะฉ<ช>ันเอาเข้าวมาจานหนึ่งกับข้าวเต็มไปหมดเลยนี่ก็มีนั่นก็มีข้าวแกงจานหนึ่งลูกบอกอันนี้ไม่ชอบกินอันนี้ก็ไม่ชอบกินอันนั้นก็ไม่อันนี้ะอะไรดําๆไม่เอาหรอกออขเขาก็โยนทิ้งไปทั้งจานแม่ก็เลยเอาทั้งจานออกไปไม่ได้นะคุณนี่คือความข้อเสียคือแม่พ่อแม่รังแกฉันสมัยนี้ก็เพรา อ, อย่างนี้พอลูกไม่เอาไม่กินเอาออกไปทั้งจานอ้าวอย่างลูกจะเอาธรรมะให้ลูก ลูกไม่เอาหรอกเบือ่อเบื่อนั้นไม่ไปวัดละกันงั้นไม่เอาหนังสือธรรมะมาให้หรอกมันไม่ได้เลยเวลาลูกจะกินข้าวอ่ะเขาไม่ชอบตรงไหนใช่ไหมคุณเขี่ยตรงนั้นออกเอาส่วนที่เขากินได้คาผักไม่ชอบกินใช่ไหมเขี่ยออกข้าวกินครื่งนึ่งจะมาเอาออกก็ได้เหลืออะไรกินได้บ้างเอากินตรงนี้นะลูกนะอย่างงี้นะนี่คือการจะถูกธรรมะหรอไม่ใช่ทั้งหมดเนว่าที่ที่คุณจะเรียนแล้วมันจะอ้วกอะ่ะคุณก็เอาเฉพาะสิ่งที่คุณจะอ้วกออกไป นะกินสิ่งที่คุณกินได้้็เรียนรู้ธรรมะที่มันเบสิกเบก็มีใช่ น, น้อยก็ยังดีัก็กินส่วนที่กินได้นะถึงจะถูกพ่อแม่ต้องฟังให้ดีนะต้อ ง, ท ำ, งนะทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยๆกินไปกินไปเขาโตขึ้นมาแล้วอธิบายนะอันนี้มันไม่ใช่อะไรดำๆนะมันเป็นถั่วชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าสูงนะลูกลองกินดูสิอกินดูเช่นงาดำอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนธรรมะบอกอ๋ลูกเห็นเกิดดับสิ โอ้ยใครจะไปเข้าใจเด็กเด็กประถมเด็กมัธยมเนอะครับอ้าวเราก็อธิบายให้เขาฟังอะไรที่ง่ายๆก็ได้แล้วพอโตขึ้นมาหน่อยเราก็บอกให้เขาฟังถึงเรื่องการเกิดดับอันนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์กับเขาตลอดกาลนานอืมจริงครับคือถ้าคุณเลี้ยงลูกได้แบบนี้นะคุณหว่าพอจะหวังได้ว่าเขาจะมาเลี้ยงเราตอบเพราะว่าเขารู้อริยสัตว์อเขาจึงจะเป็นสัตว์ที่มีความเกื้อกลุ่นต่อเกื้อเฟื้อต่อมารดาบรรดาครับ แสดงว่าการรู้อริยสัจสี่เนี่ยถือว่าเป็นความจําเป็นเรียกว่าพื้นฐานที่สุดเลยใช่ไหมครับสําหรับชีวิตจําเป็นกว่าเวลาไฟไหมหัวต้องมารู้อริยสัจก่อนครอาจารย์ทุกท่ใช่ไหมครับใช่พุทธวจนะตรงนี้ด้วยใช่ใครับเนาะนี่ก็เรื่องของความแก่แล้วก็ต้องอยู่คนเดียวนะคือคนอายุมากๆเนี่ยถามว่าทําไมคือเขาถึงต้องอยู่กับลูกหลานนี่คือประเด็นที่อาจมาจะมาชี้แจงนิดนึง เอ่อทำให้คุณคิดว่าคุณต้องมีลูกเพราะว่าเพื่อนเราตายไปหมดแล้วอืมีคนเคยพูดนะว่าเวลาเป็นอายุต้นๆเนี่ยนะเป็นใบหนุ่มใบสาวอยู่เนี่ยเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากครับพอแก่ๆไปนะแปดสิบเก้าสิบเพื่อนตายหาง่ายเพื่อนกินหายากกลํากันครับกันมีเมีคนแก่คนหนึ่งเขาเขียนไว้ในหนังสือของเขาเขาพูดถึงไดารี่ของเขาเนี่ยนะก็จะมีจดบันทึกอะไรต่างๆแล้วก็มีที่อยู่ ของเพื่อนเพื่อนเขาที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่รู้รู้ชะกันเนี่ยพอไปเปิดดูเนี่ยพบว่าขีดค่าไปทีละคนคนนี้ก็ขีดค่าออกคนนี้ขีดค่าออกคือตายแล้วเข้าใจไัมแสดงว่าเพื่อนคุณเนี่ยลดลงไปแล้วคุณไม่ได้หาเพื่อนที่ดีเพิ่มขึ้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะสิใช่ไหมเป็นความจริงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีมีเพื่อนในกรณีนี้คือกัลยาณมิตรอย่างที่เราบอกนี่แหละใช่่ครับคือคนที่จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน รักษามิตรยามที่ประมาทอย่างเช่นเวลาเราขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยอย่างบางคนที่มาบัาป่าอันไทโศกเนี่ยไม่เคยออกต่างจังหวัดคนเดียวเลยเขาขึ้นรถมาคนเดียวมีเพื่อนเขาอยู่กรุงเทพโทรเช็คตลอดเอาเธอถึงไหนแล้วไปเส้นทางถูกไหมเป็นอย่างนี้นี่คือเพื่อนที่ดูแลเมื่อยามประมาทคือคอยดูแลเมื่อมีภัยหรือว่ารักษามิตรในเวลาที่มีความเสี่ยงตรงนี้ครับแต่ว่าเราก็มีเพื่อนอย่างนั้นเหมือนกันนะถูกไหม อที่จะคอยช่ว ย, ยเหลือเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นในกรณีอย่างเนี้ยเราตายไปเนี่ยอก็จะมีเพื่อนพวกนี้แหละมาคอยดูแลอืโยม <Y> oh <ช>แม่ตามาเสียนะโยมแม่ตมาเสียเมื่อปีที่แล้วมีเพื่อนของโยมแม่เนี่ยที่มาอยู่ดูแลตลอดทุกวันเหมือนลูกเลยมาทุกวันมาช้ามาเย็นจัดเตรียมนั้นนี่เพราะคุณโยมแม่เนี่ยเป็นคนที่มีเพื่อนดีอืมมีเพื่อนแบบเนี้ยมาคอยทั้งๆ ท, ท, ที่มีลูกอยู่นะลูกก็ ค, ค, คอยจัด ก, การดูแลเพื่อนคนนี้ก็ยังมาด้วย แต่ถ้าไม่มีลูกเพื่อนคนนี้ก็จะทําหน้าที่นี้ได้อืมจริงครับเราต้องต้องดูอย่างนี้ดูเพื่อนลูกมีก็ก็ดีแล้วก็เลี้ยงเราเขาให้เป็นคนดีก็แล้วกันแต่ถ้าไม่มีนะคุณก็จะมีปัจจัยเสี่ยงถ้าจะมีนะคุณก็จะมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนโสดเนี่ยทําตัวให้เหมือนช้างมาตังคะนะไม่ต้องแต่งงานก็ได้อืที่เราพูดไปในคราวที่แล้วโอ้เรื่องช้างมาตังคะเนี่ยสอนผิดไปหน่อยหนึ่งเกิดมาต้องขอโทษด้วยสอนผิด คือช่างมาตังคะเนี่ยพระรชาเปรียบเทียบกับคนที่เพื่อนก็ไม่มีดีเพื่อนดีก็ไม่มีเพื่อนดีก็ไม่มีทําไงไปคนเดียวเลยออืไปคนเดียวเหมือนช่างมาตังคะแต่ที่ในกรณีที่เราพูดถึงเนี่ยเราพูดให้เป็นคนโสดคนโสดต้องมีเพื่อนต้องมีเพื่อนดีแล้วยังมีกลุ่มเพื่อนพ้องที่ดีเข้าใจกันครับก็คือกลุ่มเล็กๆนั่นแหละแต่เป็นดีๆคือจํานวนไม่สําคัญขอเอาดีๆ ไม่ต้องเยอะใช่มไหมครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งคนที่หาคู่เนี่ยเพื่อว่าต้องการความยามแก่อมันไม่แน่ไม่แน่ครับว่าเขาจะพึ่งพาได้ไหมเกิดจับสลากขึ้นมาเนี่ยมีคนแต่งงานไปกับฝรั่งเนี่ยเป็นลูกศิษบ้านนี่แหละแต่งงานไปกับฝรั่งคิดว่าชีวิตทนี้ฉันจะสบายละแต่งงานไปนี่นะแหมคือบางหลายคนคิดว่าแต่งงานแล้วเป็นการเริ่มชีวิตใหม่ ครับทุกอย่างจะต้องดีหมดแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนหนังในหนังคลาสสิกเนี่ยหนังน้าเน่าบางเรื่องนะแฮปปี้เอนดิ้งเลยแม่ฉันเริ่มชีวิตใหม่แล้วจะดีขึ้นปรากฏแต่งงานไปหมอแล้วผมสามีนี่ดีมากเลยนะเป็นคนดีอะไรต่างๆเราคิดว่าเขาดีแล้วอนะปรากฏว่าแต่งงานไปได้สักสองสาเดือนสามีถูกดักนอสว่าเป็นโรคอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่คือเขาเป็นเป็นทหารทําให้เป็นโรคซึมเศร้าอะไรประมาณเนี้นะจิตแพทย์มาตรวจเนี่ยพอแต่งงานไปได้แป๊บเดียวเท่านั้นเอง ตรวหมอตรวจว่าเป็นโรคซึมเศร้าในทาให้ชีวิตคู่ของเขาเนี่ยแบบพังเกือบพังครับด้วยความทีม่ว่าแทนที่จะแฮปปี้มีความสุขไปเที่ยวเล่นนั่นนี่ได้มีลูกอย่างตาสวามีไม่ได้ลูกก็มีไม่ได้เพราะว่าต้องดูแลสามีสา ม, มีก็นอนสม้มอะไรต่างๆโอ้มันมันพลิกผันไปคนละเรื่องเลยพลิกไปเล ย, เลยใช่ครับทั้งนั้นที่เราเห็นเห็นว่ามันไม่น่าจะเป็นแต่มันก็เป็นขึ้นมาครับโดยชว่วงยิ่งต้องเตือนพวกที่ออยู่อยู่แต่งงานก็เพราะว่า เหตุของเรื่องกรารมเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นความเสี่ยงอย่างที่ว่าทีนี้คนโสดนะคนโสดที่ว่าอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยนะวเวลาเหงาเหงาทำยังไงนะเราพูดถึงไปแล้วตอนตอนที่แล้วนะใช่ครับะจะเพิ่มเติมให้ตรงนี้นิด น, นึงว่าอย่างไ้พวกเพลงอกหักเพลงรักอะไรพวกเนี้ยเราไม่ต้องฟังก็ได้สื่อละมกคุณอย่าไปดูครับเล่นอินเทอร์เน็ตคุณไปหาคู่ในอินเทอร์เน็ตโอ้ยอย่าไปทํา เพื่อนในอินเทอร์เน็ตถ้ามีเพื่อนดีก็คงจะมีอยู่มั้งก็ไม่รู้เหมือนกันพวกนี้เราเลิกไปเลยแหมอายุตั้งป่านนี้แล้วนะเข้าสู่วัยกลางของชีวิตแล้วเนี่ยมัจจิมาวัยแล้วเนี่ยถามง่ายๆเอาคุณตื่นขึ้นมาปัสสาวะคืนละกี่ครั้งก็ประมาณหนึ่งหรือไม่มีหรือบางคนก็สองแล้วแล้วแต่บางคนบางคนตื่นขึ้นมากี่ครั้งยังจําไม่ได้หลืด้วยซ้าครับแล้วที่คุณจะไปฟังเพลงอกหักฟังเพลงรัก ฟังดูสื่อลามกเข้าอินเทอร์เน็ตหากู่มันไม่ใช่เรื่องแล้วอออายุระดับนี้จะมาหากู่อ้ก็อยู่คนเดียวดีกว่าเนะี่ยขอให้มีเพื่อนดีใช่ครับคือคําว่าเพื่อนดีเนี่ยหมายถึงอย่างกัลยาณมิตรก็คือครูบาอาจารย์ก็ได้หรือธรรมะที่ศึกษาอย่างเงี้ยก็เป็นกัลยาณมิตรได้ใช่ไหมครับใช่ทีนี้ในเพื่อนคือเพื่อนดีในที่นี้สำหรับคนสนต้องมีเพื่อนที่เป็นตัวคนนะ อ่าเพื่อนตัวคนอ่าเพื่อนต้องเป็นตัวคนไม่ใช่ว่าเอาธรรมะคือถ้าจะเอามรสมีองแปดอย่างเดียวคือคุณก็มาบวชเป็นพระก็ได้บวชเป็นชีก็ได้อยู่คนเดียวสบายใจดีอันนี้ก็ดีขึ้นไปเพราะเพื่อนดีบางทีมันหาไม่ได้ถ้าหาไม่ได้มีแต่เพื่อนชั่วๆแล้วเราจะยอมเป็นเพื่อนชั่วกับเพื่อนพวกนั้นคุณเป็นช้างมาตั้งขะซะอ่าไม่มีดีกว่าไม่มีดีกว่ามามาอยู่วัดซะครับครับอย่างในบางทีวัดยังมีเพื่อนดีมากกว่าด้วยซ้ําจริงครับในสังคมธรรมะเนี่ย รู้สึกว่ามันดีความดีมันจะมากกว่าความไม่ดีอีกประการหนึ่งนะประการที่2ในวันนี้คืออาตมาไปค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของเราว่าการเมสุมิชาจารย์ครับคือการประพฤติผิดจารีตนะจารีตประเพณีอันดีงามนะจารีตประเพณีอันดีงามก็คือประพฤติผิดจารีตคือขนมตำเนียมประเพณีของสมัยนั้นกันครับอย่างเรื่องของโสเพณีเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลก่อนพุทธกาลแล้วด้วยซ้ํา คือหญิงที่รับสิ่งที่เป็นอา mith เพื่อคลายความกำหนัดของบุรุษเนะพราะฉะนั้นี่เป็นจารีประเพณีที่เขามีกันมาเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดให้ตรงๆคือมันคือที่พูดต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่ามีตัวอย่างครอบครัวหนึ่งอันนี้ตมาสร้างมังแต่สมัยเป็นคารวาสนะว่า ค, คือบางทีภรยาป่วยหรือภ ร, รยาไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์ครับก็คุยกับสามีสามีก็อนุญาตให้สามีเนี่ยไปเที่ยวอาบอบนวด แต่มีข้อแม้อย่างเดียวว่าสามีเนี่ยห้ามเลือกคนเดิมอืคือหแปลว่ามันจะไปเลือกได้ใช่ไหมห้ามเลือกคนเดิมสามคุยไปคุณจะไปเที่ยวใช่ไหมฉันอนุญาตเธอได้นะจานวนครั้งเท่านี้ต่อเดือนนะห้ามไปเกินกว่านี้แล้วจำนวนที่เธอไปเนี่ยเธอต้องห้ามเลือกคนเก่าอืห้ามเลือกคนเดิมต้องเลือกคนใหม่ตลอดเพื่อไม่ให้มีความสัมพันธ์ที่ยืดเยื้ออะไรไปกว่านี้่นะออันนี้ก็เป็นรูปแบบจารีตที่เขามีในครอบครัวของเขาอเข้าใจไหมเขาก็ไม่ผิดใจกัน ในยังสบายใจกันอยู่ได้ทําหน้าที่ของกันและกันได้อย่างเรียบร้อยโอเคครับในเรื่องนี้อันนี้ไม่ได้ชชี้พรงให้กลอกให้กับพวกพัวบ้านนะแต่ว่าคุณต้องคุณต้องคุยกันเข้าใจเนาะเป็นสถานการณ์พิเศษบางเงนเถอะใช่บางทีภรรยาป่วยหรือเป็นมะเร็งในท้องอย่างเงี้ยมันทําอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยทําไงสามีคุณมีความต้องการใช่ไหมคือคุณต้องแฝงกับเขาด้วยอนะอเพราะว่าสัตว์ที่มันยังอยู่ในโลกมันต้องเสพกามใช่ไหม เสพการ์คุณต้องไปเสพในรูปแบบอื่นๆก็ดีอ่ะทีนี้คุณผู้ชายคุณต้องดูนะตื่นคืนหนึ่งตื่นขึ้นมาปัสสาวะกี่ครั้งแล้วยิ่งจะไปหาเรื่องพวกนี้ก็ไม่สมควรถ้าทนไม่ได้จริงๆคุณต้องปรึกษากันนะว่าจะไปยังไงรูปแบบไหนอย่างนี้เท่านั้นเองทีนี้ความความบาปของผู้ชายนี้มากน้อยแค่ไหนครับประมาณอย่างนี้นะครับเสพการ์มันเป็นเรื่องบาปอยู่แล้วเป็นบาปครับผมเป็นอักขุศารกรรมเป็นบาปกรรมพระเจ้าบอกแต่มันจะพาไปถึงนรกําเนิดเดาะหรือไม่มันก็อยู่ที่ว่าเรา วาเลนต์ความสัมพันธ์ของเราตรงนี้เท่าไหร่บิดเบือนจากความสัมพันธ์ของเราตรงนี้เท่าไหร่ถึงันอถ้าบิดเบือนมากเราก็ก็บาปมากยิ่งขึ้นพาไปนรกกาเนิดเรืจชานได้เพราะมันจะพาไปถึงเรื่องการผิดศีลข้ออื่นๆอืมครับคือหญิงที่ไม่ผิดจารีตเนี่ยมันก็ไม่ผิดศีลละอยู่ในรูปแบบที่ไม่ผิดจารีตประเพณีอนะครับอือันดีงามอย่างนี้นะ คื S <S อเรื่องสว่วนพิณีมันมีมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วอืแต่ก็<า>ต้องอยู่ในระบบที่ถูกต้องควรต้องควรจะปรึกษากุย ก, กันเอาต่อไปคือเรื่องของความเป็นครูอาจารย์นี่ประเด็นหนึ่งที่ว่า ค, คือครูอาจารย์ที่เราได้พูดไปเมื่อตอนที่แล้วครับนะว่าอทำหน้าที่ของครูอาจารย์อย่างดีอ่ะนะคือต้องเข้าใจว่าสําหรับครูอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ในมหาลัยก็ตาม ในโรงเรียนก็ตามโรงเรียนครับคือคุณมีหน้าที่เป็นครูอาจารย์อยู่แล้วคุณต้องทําหน้าที่นั้นแต่บางทีเราอย่างคุณหมอถ้าผเป็นหมออย่างเงี้ยไม่ได้สอนหนังสือที่ไหนใช่ไหมแต่ถ้าเราทํางานของเราอย่างดีแล้วมีคนมายกย่องเราเป็นอาจารย์นล้วเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นกับบุคคลนั้นคือคือหมายความว่าเราไม่ต้องทําให้เราเป็นอาจารย์คือเราไม่ต้องทําตัวเป็นอาจารย์นะนะครับคือทําด้วยว่าความที่เราไม่ใช่ว่าเราต้องการเป็นอาจารย์แต่เราทําของเราดีที่สุด แล้วใครมาทําหน้าที่สิทธิ์กับเราคือเช่นยกย่องเรารอ่าถือไมโครโฟนไปให้เรามาคอยบอกคอยสอนคอยถามนู่นถามนี่เออเราถึงจะทําหน้าที่สิทธิ์กับเขาอย่างนั้นเราก็สอนเขาในระเบียบระบบที่ประพรุทธเจาบัญญาตาาัติไว้คือประเด็นนี้ต้องการพูดว่าเราเป็นอาจารย์เนี่ยคนที่ไม่ได้เป็นหน้าที่อาจารย์อยู่แล้วคุณไม่ต้อง ทำการขวนขวายว่าฉันต้องเป็นอาจารย์เนีเดี๋ยวที่ฉันจะจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าจะไม่ครบทิศหก ค, คือแค่ว่าเราทําหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดใช่มหมการนหน้าที่การงานที่เรามีถ้าใครจะมายกย่องเราก็ทําได้ อ, อย่างมันนอกอย่างเงี้ยเขาก็จะมียกย่องตาแหน่งอาจารย์ให้กับคนสักคนใดคนหนึ่งในหมู่บ้านผมว่าในในชีวิตสมมุติว่าไม่ไม่ได้เป็นอาจารย์หรือคุณครูในโรงเรียนเนี่ยแต่ว่าเราในชีวิตมันเหมือนว่ามีมีตำแหน่งนี้ซ้อนทับอยู่เช่น อย่างตัวเองเนี่ยจำเป็นจะต้องสอนคนไข้ด้วยในการดูแลความสะอาดดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนว่ามีความเป็นอาจารย์แฝงอยู่แล้วก็อย่างการสอนลูกหลานคนในบ้านเนี่ยทำนู่นทํานี่นนครับแล้วก็มีบทบาทตรงนี้อยู่ด้วยไม่ทราบจะจะคือเหมือนได้ปฏิบัติเป็นทางทิศเบื้องขวาด้วยใช่ไหมครับใช่คือพอรเราทําหน้าที่อย่างดีอย่างดีที่สุดแล้วเนี่ย ค, คือจะมีคนมาเรียนกับเราหรือไม่ไม่เป็นไรนะ แต่เรารทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วถ้าเขาสนใจจะมาเรียนเราสอนให้เพิ่มเติมได้รเราถึงทำหน้าที่นี้ได้ทิศนี้ถึงจะเกิดขึ้นมาอีกประการหนึ่งเรื่องของหน้าที่ของสมณนะอันข้อหนึ่งที่เราพูดถึงคราวที่แล้วคือครเรื่องของการต้อนรับนะ ค, บคือไม่ปิดรประตูเนี่ยแล้วถามเราพูดถึงว่าไอ้พระดีเราจะต้อนรับเข้าบ้านได้ไหมที่เราที่อารยมาบอกว่ า, ก, วาก็ต้อนรับไป มากน้อยก็แล้วแต่ศรัทธาของเราใช่ไหมซึ่งอันนี้ความมาดูพุทธวจนะที่อื่นในเรื่องของบทสังกคุณที่ว่าสุปฏิปันโนซาหะกัซังโคลซังขึ้มามีพูมินี่ยนะซึ่งมีบทหนึ่งที่พรุทธเจ้าบอกว่าบุคคลคู่สี่เนี่ยเป็นบุคคลที่ควรต้อนรับอควรให้ทานควรทักสินาทานควรธรรมัญเชลีเป็นนามบุญของโลกเพราะฉะนั้นเราจะต้อนรับตรงเนี้ยมันจะมาสอดคล้องกันว่าถ้าคุณจะต้อนรับนะคุณต้อนรับส่งแบบนี้ เพราะฉะนั้นส่งไม่ดีไม่เป็นส่งแล้วคุณไม่ต้อนรับก็ได้ต้องพูดอย่างนี้ถึงจะถูกเพราะฉะนั้นเราบางงงบาทีเราไม่รู้ว่าคนนี้เป็นพระจริงไหมเราไม่ต้อนรับก็ได้ก็อยู่ที่เพอร์เซพชันของคุณกันดูแลงคุณเองอนะแต่ว่าเรื่องกายวาจาใจมีเมตตาคุณต้องมีกับทุกคนอยู่แล้วครับท่านจะเป็นพระจริงพระปลอมพระเกศพระปลอมบวชยังไงเราต้องมีเมตตากับคนนี้อยู่แล้วเรื่องกายวาจาใจนแต่จะไม่ต้อนรับก็ได้จะต้อนรับก็ได้ก็แล้วแต่ นะครับโอเคอันนี้คือพูดถึงเรื่องเก็บตกจากตอนที่ผ่านๆมาทั้งหมดในเรื่องของอช้างบัตังค่าเรื่องของการมีสมิชาอาจารย์เรื่องของความเป็นอาจารย์เรื่องของสมณะเรื่องของคนแก่โสดแล้วก็แก่คือความโสดนี่เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง ค, คือบางคนโสดเพราะว่าเพราะว่ายายาเลยโสด ค, คือคเขาก็ไม่เรียกโสดแล้เขาเรียกมาใช่ไห ม, ไมแต่พูดถึงอยู่คนเดียวเพราะการถูกยายาที่บางทีกู้ครองเราตาย หรืออย่าเพราะว่าเลิกร้างกันไปอันนี้ก็มีสองแบบหรือเราเป็นโสดนี้เพราะว่าเราแต่งงานไม่ได้แต่งงานหาคู่ไม่ได้หรือเราเป็นโสดเพราะว่าความที่เราต้องการเป็นโสดมันมีทุกแบบแต่ว่าจะทุกแบบเนี่ยคุณต้องทําอย่างนี้ชีวิตคุณถึงจะมีความสุขครับทํำยังไงครับก็อย่างที่เราพูดมาเมื่อตอนที่แล้วครับแล้วก็เรื่องกามคุณก็เซฟให้มันน้อยๆหน่อยครับสีลามกเพลงอหักเพลงทําให้รักอย่าไปดูอย่าไปฟังมัน ครับเพลงมีเยอะแยะเราก็ฟังเพลงอื่นก็ได้ครับแต่ในสังคมไทยเพลงรักนี่เยอะหรือเกินครับท่านพระทํำยังไงพระทํำยังไงครับอพระเราก็ไม่ไม่ได้ฟังพวกนี้อนะไม่ได้เซ็มันก็ทําในลักษณะนี้แหละเราหลีกเลี่ยงได้เราสํารลุมอินทรีย์ได้อถึงแม้เราจะไปอยู่ในที่ที่เหล่านั้นมันก็จะจะทําให้มีความเสี่ยงเราก็หลีกเลี่ยงได้สํารวมอินทรีย์ได้ครับอันที่มาพูดถึงเรื่องของ อ่าทรัพย์สินการใช้จ่ายเงินไม่ว่าคุณจะเป็นโสดคุณจะแต่งงานแล้วเรื่องเงินนี่สําคัญสําหรับคารวาสอ่านะเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองมันทําความเพี้ยนโตขึ้นมาเรียนหนังสือจบก็เพื่อเหตุ น, นี้นะเพราะฉะนั้นถ้าอัตมาจะบอกว่าคุณต้องไปทำเออเราก็พูดจะขัดแย้งกับพูริชาคือคุณต้องรู้มันในเรื่องของข้อดีของมันนะข้อเสียของมันก็มีแล้ววิธีในการนําออกถ้าจะเปรียบเทียบตรงนี้หมาระทถเหมือนกับว่ามีน้ําหมืนหวานอยู่แก้วหนึ่ง แต่ว่าน้ําในแก้วนี้เป็นพิษนะถ้ามันอยากกินมากๆเลยนะหมานถึงหายน้ําอยากกินมากๆเลยจะทําไงเราก็จะบอกว่าอยากกินเลยเดี๋ยวมันจะตายนะแต่เขาแบบอยากกินมากจนตัวสั่นไมนจะไปดิ้นตายเดี๋ยวนะถ้าไม่ได้กินนะนะเราก็จะบอกว่างั้นกินนิดหนึ่งแล้วกันพอที่ไม่ตายด้วยโทษของพิษแต่พอที่กินนิดหนึ่งเพื่อให้อเพื่อให้มันหายกระหายหน่อยแต่อยากกินมากเดี๋ยวจะตายทันทีก็กินนิดหนึ่งพอให้ไม่ตายเดี๋ยวนี้ด้วยความที่ไม่ได้กินนะนะ ครับเพราะนันก็เสพการในลักษณะนี้ก็แล้วกันจริงครับต่อไปเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยผู้บัญชาบอกว่าเราจะต้องเป็นผู้คือมันจะมีอย่างนี้ทางเข้ากับทางออกของเงินอ๋อครับเง<ช>ินรับเงินเงินจ่ายใช่รเราต้องดูให้ดีว่าทางเข้ากับทางออกของเงินนะผู้บัญชาบอกว่าให้เป็นผู้ที่รู้จักการได้มาของโภคทรัพย์รู้จักการสิ้นไปแห่งโภคทรัพย์ครับเรื่องของแคสต์ฟลูฟังให้ดีรู้จักการได้มาของโภคทรัพย์รู้จักการสิ้นไปของโภคทรัพย์ การได้มากองโสพสต์มีอะไรบ้างอ น, นั้นมีอย่างน้อย2ทางสองทางนี่คือทางที่เกี่ยวกับเรื่องของทางกายทางกายนี่ยังมีอีกสทางนะ ค, คือหมายความว่าคือมันมีหลายทางแหละเช่นคุณมีความเพียรเป็นเครื่องรู้ขึ้นรวบรวมมาด้วยกําลังแขนตัวชุ่มด้วยเหงื่ออันนี้อันที่หนึ่งจะต้องมีอันที่สองคุณจะต้องทําเองก็ได้จัดให้กระทําก็ได้หรืออันที่สามมีอาชีพ ที่เหมาะสมที่พระพุทชเจ้าพูดถึงเช่นเป็นเกษตรกรรมอ า, าาอาชีพค้าขายอาชีพเลี้ยงยสัตว์เป็นนักรบรับราชการศิละปะด้วยการใช้มือศิละปะด้วยการคํานวณศิละปะด้วยการนับอย่างคนเป็นนักบัญชีรพระพุทธเจ้าพูดถึงอาชีพของเธออยู่นะคือศิละปะด้วยการนับ<ม>คนเป็นอาชีพด้วยการใช้คํานวณอย่างเงี้ยก็คือพวกวิศวกรใช่ไหมศิลปะด้วยการใช้มืออย่างเช่น หมอผ่าตัดอย่างเงี้ยหมอฟันก็ใช้มือศิลปะด้วยการใช้มือศิลปะนที่นี้หมายถึงสกิลสกิลเซตที่เราจะต้องมีต้องมีการฝึกประรือตรงนี้นักรบข้าราชการพวกนี้คืออาชีพที่ทำได้ตรงอาชีพนี้เอาสัมมาอาชีวะมาจับได้ไหมครับอันนี้็นี่เป็นบทเพียรชนะที่บุคคลพูดถึงเกษตรกรรมค้าขายโครกกรรมพาณิชยกรรมพวกเนี้ยนะแล้วส่วน ถ้าจะทําอย่างทําอาชีพพวกนี้นะทําอาชีพพวกนี้นะแล้วระวังอย่าให้มีมิจฉ า, าชีวะคือบางทีอย่างสมมติอาชีพค้าขายอย่างเงี้ยถ้าเราไปค้าขายเช่นโกงอันนี้ก็แสดงเป็นมิจฉ า, าชีวะลอ่อลาบ้ดยลาบพวกนี้เพราะฉะนั้นการโกหกการหลอกลวงการล่อล่าด้วยลาบการใช้ของมีค่าน้อยต่อของมีค่าน่า ก, การพูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงพวกนี้อย่าให้มีในอาชีพของเราที่เราทําครับเพราะนั้นคุณจะทำงานบริษัทก็ได้ เป็นแมネเจอร์ก็ได้เป็นเจ้าของกิจการก็ได้ค้าขายก็ได้เป็นเกษตรกรรมก็ได้รับราชการก็ได้นะศิลปะการใช้มือใช้เครื่องจักรอะไรได้หมดอ่ะพวกนี้นะที่คือนี่คือความครอบคุมของอาชีพของผู้รู้ชาตได้บอกไว้เห็นไหมแม่มันชัดเจนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคือการค้าที่ไม่ควรค้ามีอยู่5อย่างก็พูดถึงการค้าอาวุธ<อ>นะค้าสัตว์การเนื้อสัตว์ค้าน้าําเมาแล้วก็ค้ายาพิษ น้ำเมายาพิษพวกนี้เป็นการค้าที่ไม่ควรค้าครับค้าสัตว์ก็คือค้ามนุษย์เหมือนกันอออ๋เซื้อพวกเลี้ยงหมูอะหรือว่าค้าขายมนุษย์พวกนี้ก็ไม่ควรทํำคือเลี้ยงหมูให้คนไปฆ่าใช่ไหมคุณขายเนื้อสัตว์คุณก็ไม่ควรทําอืำเข้าใจไหอันนี้คือไม่ควรทําก็ใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าบังคับไม่ให้ทําำนะคือถ้าเลี้ยงได้ให้เลี้ยงอ่าให้เลี้ยงได้ให้เลี้ยง เลี้ยงไม่ได้ก็ทําไปก่อนครับใช่อันนี้รประเด็นนี้เราก็คงจะเคยพูดถึงกันอยู่ว่าไม่้าเคียงหมูทายังไงขายเนื้อสัตว์ในตลาดทำไมก็ค่อยๆหลีกเลี่ยงไปนะอันนี้เราจะเป็นอาชีพที่ถูกต้องเงินเราจะเพิ่มได้อันนี้คือช่องทางที่หนึ่งแต่ตรงนี้ทั้งหมดคือช่องทางที่หนึ่งช่องทางที่สองพระรูชาพูดถึงอริยสัพพอริยสัพพหกประการแล้วก็การมีเพื่อนดีประการหนึ่งคือที่อาจมาพูดอยู่ตรงนี้เป็นการรวบรวมหมวดธรรมหลายๆหมวดเข้าด้วยกัน นะเช่นว่ า, าเรื่องของสมาชีวะเราพูดถึงสิ่งที่จะเป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์พูดถึงอริยทรัพย์เนี่ยมารวมจับรวมกันตรงนี้ให้หมดเลยดีครับอันนี้เป็นการเข้ามาของโภคทรัพย์ช่องทางที่สองคือมาจากบนฟ้ามาจากที่เราไม่เห็นและครับหลายๆคนเนี่ยพูดรรถึงคือเรื่องของศีลไง เ, เรื่องของศรัทธาเรื่องของฮิริโอตปะวิทยะและก็ปัญญ า, าห้าอย่างหอย่างเนี่ยเป็นเป็นอริยทรัพย์ เดี๋ยวขออีกทีได้ไหมครับหประการก็มีศ ร, ร, รัทธาศราศีลวิริยตักดิศรีิลป์วิยาปัญญาหก อ, อย่างนี้เป็นอริยทรัพย์แล้วก็ยังรวมอีกอย่างหนึ่งคือกัลยาณมิตรหลายหลายคนอาชีพที่คุณมาทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นตั้งตัวขึ้นมาได้เนี่ยเพราะเพื่อนนะเ<อ>พื่อนบอกอย่า ง, งเช่แม่จะมาทําขนมใช่ไหมเพราะเพื่อนเนี่ยพาไปเรียนขนมทําขนมเรียนทําขนมไปเรียนของเขาแล้วกินแม่อร่อยกินแม่อร่อยทํากตัำเองมาทําเอง ตัวเองมาทำเองเ<า>ลยทำเป็นขนมขายขึ้นมาได้อ๋อมาพัฒนาเองใช่เพราะว่ามีเพื่อนแนะนําให้ไปเรียนชวนไปเรียนด้วยกันแค่นั้นเองมีเพื่อนดีทําให้อาชีพเป็นตั้งตัวขึ้นมาได้ก็มีอหรืออย่างบางคนเรียนหมอเรียนวิศวกรเพราะอะไรโอ้ยฉันก็ไม่รู้ฉันเรียนอะไรเพื่อนชวนไปเรียนอันนี้ก็เรียนจบมาคุณก็ทําอาชีพนี้ก็มีอ๋อครับหรือบางคนเป็นลงทุนฉันก็ทํางานของฉันอยู่ดีๆเพื่อนแนะนําให้มาซื้อหุ้นนี้ขึ้นผางเลยอย่างตอนนั้นคนแนะนําให้ไปซื้อหุ้นปตทก็มีครับ <c oughs> ก็หลายๆอย่างก็มาจากเพื่อนดีอย่างนี้เหมือนกั น, นใช่ครับ อ, อันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะทำให้เงินเนี่ยมันไหลเข้าครับทั้งหมดทีนี้จุดที่จะทำให้เงินไหลออกนะมีอยู่ทั้งหมดสี่อย่างรพระพุทธเจ้าพูดถึงการใช้จ่ายทรัพย์ในสี่สถาน ท, ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะมีหลุมพลางอยู่หลุมพลางตรงนี้เนี่ยนะจะทำให้เราเสียเงินเป็นอัมบายมุกมุกเนี่ยแปลว่าทาง ทางเข้าอบายเนี่ยคือลงไปสู่อบายคือเหมือนกับเราจะเดินจะใช้จ่ายเงินไประหว่างทางที่เราเดินไปจะมีหลุมอยู่นะหลุมเนี่ยลงไปถึงนรก น, นู่นเลยนะมีอยูทั้งหมดหกถึงเจดหลุมด้วยกันอหกถึงเจ็ดหลุมอย่างเช่นว่าการมีคบเพื่อนชั่วการ<ม>ขี้เกียจขี้คล้านถ้าคุณตกลุมนี้ไปนู่นนรกเลยทํามากๆนรกกานเนิดอาจารย์เบรบิสายแต่คุณยังไม่ทันใช้จ่ายเงินด้วยซ้ำตกลุมไปก่อนรหรือว่าพูดถึงการที่เป็นนักเลงหญิง นักเลงเจ้าชู้นักเลงสุราเที่ยวในตอนตอกซอกซอยในเวลากลางคืนไปในสถานที่ที่ไม่ควรไปนะครับก็การมีเพื่อนชั่วพวกนี้ไม่ดีทั้งสิ้นครับอืจะเป็นหลุมที่จะทําให้เราตกลงไปสุนารกครั บ, ค, รบคือนรกเยคือนรกนี่มันเป็นเบื้องสุดท้ายตอนที่กายเราจะตายแต่เงินเรารจะล่วไหลไปทางหลุมนี้พวกนี้ทั้งหมดมันจะหล่นหลๆนหล่นหล่นหล่นไปนะในระหว่างที่เราใช้จ่ายเงินเพราะฉะนั้นเราต้องปิดหลุมนี้ให้หมดอย่าไปเกี่ยวข้อง ครับทีนี้การใช้จ่ายเงินสี่สถานตอนแรกพระพุทธเจ้าพูดถึงเลี้ยงตนนะให้เป็นสุขให้อิ่มหนำให้บริหารอย่างเป็นสุขให้ถูกต้องเลี้ยงในที่นี้เนี่ยคือเลี้ยงหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าส่วนคือเลี้ยงตนเลี้ยงมัรดาบิดาเลี้ยงบุตรภรยาเลี้ยงทาทกรรมกรแล้วก็เลี้ยงมิตรอมาตห้าอย่างนี่ก็พูดถึงสี่ทิศละตัวเองอีกขึ้นมาอีกอันหนึ่งหนึ่งออกมาสี่ทิศแล้วนะ ครับสี่ทิศแล้วก็ครบอยู่ในนี้ละอืมครับครบเลยครับเหมือนสี่ทิศด้านด้านด้านซ้ายขวาด้านซ้ายขวาด้านขวางทั้งหมดใช่ไหมคือลูกจ้างเนี่ยเราต้องให้ค่าจ้างเขาอยู่ละลูกจ้างนี้ก็จะจัดอยู่ในเรื่องของมิตรธรรมัดอืมอยู่ในหมวดมิตรธรรมใช่คือลูกจ้างคือเลี้ยงตนเลี้ยงลูกจ้างทาดกรรมกรต่างๆให้เป็นสุขให้อิ่มหนำนี่คือเลี้ยงทั้งห้าทิศอยู่ในนี้หมดแล้วเลี้ยงทั้งห้าทิศก่อน ให้บริหารให้อยู่เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารตนให้อย่างเป็นถูกต้องคือคุณคต้องมีการจัดจ่ายใช้สอยที่ถูกต้องมีการทำํำที่เราพูดไปคือเรื่องของการทำบัตเจ็บ เ, จเพราะรรอะไรเพราะว่าคุณต้องรู้การได้มาของโภคทรัพย์รู้การสิ้นไปของโภคทรัพย์เหมือนบางคนยังไม่รู้เลยว่าเงินในกระเป๋าตัวเองมีเท่าไหร่เงินสดเดี๋ยวนี้ไม่ไม่รู้นะบางคนต้องเอยิบขึ้นมานับก่อนประมาณเหลือเท่าไหร่ก็ยังไม่รูร้ด้วยซ้ำบางคน คุณไม่รู้ขนาด<ม>นี้ไม่ได้เรื่องนะคุณมไม่รู้ความได้มาของขโภคทรัพย์ไม่รู้ความสิ้นไปของโภคทรัพย์ครับคุณต้องรู้ทุกบาททุกสตางค์ที่มีอยู่ในกระเป๋าคุณสดสดเดี๋ยวนี้ทุกบาททุกสตางค์ที่มีอยู่ในธนาคารคุณบัญชีไหนที่ดินอะไรมียังไงบ้างคุณต้องรู้ครับคุณไม่รู้แสงดงว่าคุณไม่รู้จากการได้มาของโภคทรัพย์ไม่รู้จากการสิ้นไปของโภคทรัพย์แล้วไม่ดำรงตนบริหารอยู่ให้อย่างเป็นสุขโดยถูกต้องครับเพราะมันต้องมีการทําำมาเจตตรงนี้ซอฟ เราต้องมีการทาระบบบัญชีมีซอฟต์แวร์พล็อตกราฟนะฮะเศรของเรามีเท่าไหร่เงินได้มาเท่าไหร่เงินสิ้นไปเท่าไหร่เราจะทำบัตรเจตตรงนี้เท่าไหร่เราต้องการเสพการใช่ไหมเราต้องมีเงินเผื่อไว้สําหรับเสพการของเรานะเสพการในที่นี้อย่างเช่นว่าไปเที่ยวไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวฮอลิเดย์อย่างเงี้ยต้องเก็บเงินไว้เออฉันปีนี้ฉันการไปฮอลิเดย์เท่านี้คุณก็เตรียมไว้ซื้อของซื้อโทรศัพท์อะไรที่เราชอบใช้แต่คุณต้องมีการเตรียมเงินไว้ต้องทำบัตรเจตไว้ครับคือถ้ามันเกินบ แต่อย่างน้อยเรามีการเก็บเพื่อที่จะคืออย่างคนที่ใช้ใจ่ายใช้สอยอย่างเช่นมือเต๋อบะนะอุ้ยเห็นอันนี้ก็ซื้อเลยเห็นนั้นก็ซื้อเลยถ้าคุณ<ล>ไม่มีการทําบัตเจตเอาไว้ทําให้เรามีแต่เรามีความอยากแต่ไม่ได้มีการตอบสนองความอยากก็ใช่ไหม ค, คือคุณมีความอยากใช่ไหมทําให้ ค, คุณต้องไปสแสวงหาใช่ไหมแต่คุณไม่ได้ตอบสนองความอยากตรงนี้อย่างสมมติว่าอาจามาต้องการซื้อเดี๋ยวนี้ iPhone มันออกแล้วใช่ไหม ซื้อไอโฟนไอโฟนเครื่องละสอง 0,000 ื่นบาทนะตายละเงินเดือนฉันก็สองหมื่นโอ้ยเอางี้ละกันอยากได้มากซื้อไปก่อนใช้บัตรเครดิตเป็นหนี้เดี๋ยวค่อยจ่ายทีหลังเพราะความอยากไงแต่ทีนี้ถ้าเราทําบัตเจตไว้นะเราบอกฉันต้องการซื้อไอโฟนสี่แต่เราทําบัตเจตเอาไว้นะเราก็เก็บตังค์เดือนละหนึ่งพันบาทก็แล้วกันหนึ่งพันบาทถ้ามีโบนัสอาจจะเพิ่มให้หน่อยได้แต่ถ้าเก็บ1นึ่บาทไปเรื่อย ได้เมื่อไหร่ก็ซื้อเมื่อ น, นั้นคือคนที่วางแผนเนี่ยเขาจะวางแผนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว่ว่าเขาต้องการจะซื้อเขาต้องการคือเราก็เก็บเงินไปเรื่อยๆนะพอเงินได้จํานวนเท่าไหร่เราก็ไปซื้ออย่างน้อยเวลาที่เราจะควักเงินซื้อเนี่ยนะเราก็ยังจะรู้ว่าเออฉันเก็บเงินไว้แล้วฉันต้องซื้อเดี๋ยวได้ก็อนเราค่อยซื้อก็ได้ใช่ครับมันสร้างไปความมีคุณค่าของสิ่งที่จะได้ด้วย น, น, นะครับอันนี้คือเป็นผู้รู้จักการได้มาของโพสซัพย์รู้จักการสิ้นไปของโพทรัพ์แล้วดํารงตนให้อยู่โดยถูกต้องครับ นี่คือคือแค่สเตทเมนนี้นะเราต้องวิเคราะห์ให้ถึงเรื่องการทำบั d g เจตทุกอย่างแต่คุณต้องการอะไรในชีวิตล่ะคุณเคเตอร์บัตรเจตไปเลยคุณใส่บั d g เจตที่เราต้องการเอาไว้เลยอย่างอย่างกรณีของใหญ่เช่นบ้านหรือรถยนต์ซึ่งราคามันสูงมากเป็นล้านอย่างเงี้ยครับโอกาสที่จะเก็บเนี่ยเดี๋ยวอาจจะ10ปี20ปีอาจจะตายซะก่อนอย่างเงี้ยครับก็คือความจาเป็นต้องเป็นนี่ใช่ไหมครับต้องอยากมากใช่ไหมถ้าอยากมาก คือจำเป็นมากอย่างเงี้ยโอเคอยากระดับหนึ่งแล้วก็จําเป็นด้วยคือบ้านต้องมีอยู่อย่างเงี้ยครับความความจำเป็นที่บนเป็นหนี้เนี่ยก็คืออันนี้หมายความว่างนี้คือถ้ามันอยากมากคือก็จเป็นมากนั่นแหละก็คืออยากมากนั่นแหละหมดแล้วครับคือหมายความว่าถ้าคุณจําเป็นมากอยากมากเนี่ยนะรมันจะต้องสมัยหาวิธีการที่ถูกต้องไงคือเราไม่ได้ไปป้นบ้านเขาละบ้านป้นมามล้ก็ยกไปไม่ได้ หรือไม่ได้ไปแอบแฝงอยู่สิงอยู่บ้านคนนึ่นเขาโดยที่ยึดที่เขาเลยอีก10ปีถัดมาก็ยังไงก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่คนดีเขาจะทํายังไงเขาพยายามคิดว่าเฮ้ย <c oughs> เราจะใช้ใจ่ายซัพย์ยังไงให้เรามีบ้านได้เราจะใช้ใจ่ายรัพย์ยังไงให้เรามีบ้านได้มันก็จะมีหลักการที่เรียกว่า leverage ถูกไหมเอาเงินบางไว้ก่อนเงินดาวางไว้ก่อนแล้วก็คุณเข้าไปอยู่เลยแล้วคุณค่อยผ่อนจ่ายเอาเนี่ยแล้วเราจ่ายเดือนละเท่านี้บาทนะคุณมีบ้านได้ละอันนี้เป็นวิธีคิดที่ถูกต้อง คือถ้าเรามาคิดว่าเราจะสร้างหนี้นเราจะเครียดเพราะ ค, รความเป็นหนี้เนี่ยเป็นทุกข์ของคนบริโภคการก ใ, กใช่เพราะเราถ้าเราคิดให้เป็นลักษณะของกระแสงเงินสดซะคิดให้เป็นการบริหารการจัดการรู้จักการได้มาของทรัพย์รู้จักการสิ้นไปของทรัพย์คุณคก็จะดำรงตนให้อยู่โดยถูกต้องได้อคือเราก็ดูลักษณะของกระแสงเงินสดเราต้องวางเงินดาวเท่านี้ใช่ไหม งล้นเรามีเงินอยู่เท่านี้อยู่อา่าวพอจะดาวได้เราก็ดาวไปแล้วต่ อ, ดอดเดือนต้องจ่ายเท่าไหร่เราก็จ่ายเท่านี้นะอา่าแล้วอีกสุดท้ายอีกสามสิบสี่สิบปีเราได้ได้เป็นเจ้าของโดยเต็มที่แต่ถึงแม้ว่าแค่สิบปีเราก็มีความเป็นเจ้าของอยู่ที่สิบปีขายบ้านเราก็ยังได้เงินอยู่มันก็ทําให้เราคิดอย่างเี้แล้วก็สบายใจนะอ่นะอา่าเป็นลักษณะของการจัดการเงินที่ถูกต้องครับรู้จักการได้มาของโปกทรัพย์รู้จักการสิ้นไปของโปคทรัพย์อ่า ค, ค, คือสิ่งที่มันจําเป็นอย่างเช่นบ้าน รถที่อยู่อาศัยยารักษาโรคพวกนี้เราต้องมีการต ร, ตรงนี้ไงเพราะตรงนี้จึงเป็นการรู้จักการบริหารตนให้อยู่เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องฟังให้ดีครับครับคือด้วยตรงนี้นะกู้หนี้ไม่ดีแน่นะรเราก็หมุนเงินในลักษณะนี้กู้เนี่ยก็คุณไม่ใช้ก็เลยนะไม่มีการจ่ายดอกระหว่างกลางคือคือเอาไมา่เฉยอะ่ะแต่ว่าถ้าเรามีการผ่อนจ่ายใช้จ่ายไปอย่างนี้ก็ชื่อว่า เป็นการป้องกันนะจากพวกอมตะของเราอป้องกันอันตรายที่เกิดจากอมตะของเราครับทีนี้นอกจากเงี้ดูมาดาบิดาแล้วในเงี้ดูบุตรภรยาเลี้ยงดูท้าทกรรมกรเลี้งดูมิตรอมตะนะพวกนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเราครับเห็นว่าในเนื่งนี้อาจารย์ไม่มีนะยังยังยังเกอยู่ว่าอาจารย์หายไปไหนครับครูบาอาจารย์นั่นแหละเพราะว่าอาจารย์เนี่ยจะอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นอมิตรมันไม่สมควร ทำใหอาจะมาเห็นว่าระบบอย่างเช่นว่าคุณบริณพิเศษเนี่ยความสัมพันธ์ของอาจารย์กสิทธิ์มันแทบจะไม่มีเลยเพราะคุณจ่ายเงินเขาใช่ครับมันมันเลยไม่มีมันเลยไม่เป็นประเด็นที่คุณจะมีความสัมพันธ์ระหว่างสิทธ์กับอาจารย์ในลักษณะที่พระเจาพูดได้แค่นั้นเองเนาะแต่เอพระเาพระสงค์ทําไมมีเราเราไม่ได้จ่ายค่าค่าปรึกษาใช่ใช่มันเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นการเอื้อเฟื้อก็คุณคนละระบบครับ รเราให้ด้วยศรัทธาด้วยอันที่สองนะคุณต้องใช้ใจ่ายทรัพย์เนี่ยในการป้องกันอันตรายนะรอันตรายที่เกิดจากน้ําจากไฟจากพระราชาจากทายาทอันไม่เป็นที่พอใจครับเช่นบอกอาจจะทําประกันประกันในที่นี้เนี่ยหมายความว่ า, าคือประกันเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณไปซื้อประกันอะไรอย่างนั้นนะนะอันนี้ก็อาจจะทําได้ส่วนหนึ่งอันนี้นเป็นเรื่องของการใช้ใจ่ายทรัพย์เพื่อบรหิหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องแต่ในที่นี้คือเป็นการอนุเคราะห์เขา อย่างบางทีถ้าคุณต้องจ่ายค่าค่าเขาเรียกค่าเลยนะค่าคุ้มครองอ่ะเออครับก่าจ่ายเธอมันจะได้ไม่เป็นอันตรายอ๋อครับถ้ามันมีอ่นะหรือเรามีเพื่อนเราก็สงเคราะห์เพื่อนอ่าสงเคราะห์เพื่อนจะอยู่ในหมวดที่สามแต่นี่คือใช้จ่ายในการป้องกันอันตรายติด security system อ่าติดอัลลามหรือว่าใช้จ่ายทรัพย์ในการให้ทานอะไรต่างๆครับอืหรือว่าจ้างยามมาดูแลบริษัท อะไรประมาณนี้ก็ได้ทั้งนั้นนะจ่ายภาษีให้ถูกต้องจะได้ไม่ถูกภาษีย้อนหลังครับอันที่สามคือใช้จ่ายในการสละคือให้ไปเลยสละนี่คือทำพลีกรรมพีกรรมคือสงเคราะห์อนุเคราะห์คนอื่นว่าสงเคราะห์อนุเคราะห์คนอื่นในทุกระดับเลยใช่ไหมครับใช่เช่นว่าสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์อนุเคราะห์ญาตินะสงเคราะห์แขก ส่งเคราะห์พู้ที่ลงรับไปแล้วส่งเคราะชาติส่งเคราะห์เทวดาเนี่ยตรงนี้เขาปปแปลแปลว่าบูชาเทวดาทําให้เราเห็นว่าเออเราจะนับถือพระพู้เป็นธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะไปบูชาเทวดามันจะไปได้เหรอแต่เราส่งเคราะห์เทวดานี่ออกอไหมมันจะใช้ ค, คําไม่เหมือนกันจากความความรู้สึกไม่เหมือนกันแล้วนะครับใช่ครับ อ, อย่างเราส่งเคราะหเทวดาเช่น ว, ว่ า, านับถือเขาในคุณธรรมที่เขามีอันนี้คุณทําถูกต้อง ค, คุณอนุเคราะห์เทวดาอย่างพุทธาอนุเคราะห์โลกอย่างเงี้ย ค, คืออนุเคราะห์ประสงเคราะห์เนี่ยเป็นความหมายเดียวกันถ้าไปดูในพระไตรปิฎกนะอนุเคราะห์ปรสงเคราะห์ก็คือว่าเอื้อเฟือเ้อเอื้อคุณกันอย่างประสงค์อย่างเงี้ยรเราเห็นคุณก้อนข้าวของคนที่เขาให้ก้อนข้าวเรามาเราก็จะอนุเคราะห์เขาเนี่ยคือตอบแทนคือเห็นคุณเนี่ยคุณกระตั น, นยูใช่ไหมจะตอบแทนเนี่ยด้วยการที่ให้สิ่งที่เป็นอามิสมันก็ไม่มีอ่ะคุณจ้าแม่ละจีวรคุณจ้าแม่ละบาตคุณมีจานกระเบื้องอย่างดีแล้วจะไปเอาอะไรบาทพระ คุณมีเสื้อผ้าสวยๆแล้วจะแบวอะไรจีวันพระใช่ไหมกันเราควรจะอนุเคราะห์เขาด้วยสิ่งที่เหนือกว่าขึ้นไปอืออธิยศเลยนะก็คือสิ่งที่เป็นนิรามิษเพราะตรงนี้มันจะเกื้อกูลกันไปได้พระเจ้าพูดถึงการอนุเคราะห์ตรงเนี้ยพลีกรรมตรงเนี้ยการอนุเคราะห์สงเคราะห์กันเนี่ยจะทําให้เรารักษาทรัพย์อยู่ได้พูดถึงสระบกกรณีครับสระน้ําใบใหญ่ๆครับมีท่าน้ําขึ้นลงอย่างดีมีน้ําใสไหลเย็นจืดสนิท แต่ไม่มีคนไปใช้นะ้ถูกรั้วกั้นอยู่โ oh อ้โหเสียดายของแต่ถ้าเป็นมีคนมาใช้นะมีคนมาเมนเทนเน้นทำความสะอาดมีคนใช้ขึ้นลงอันนี้เป็นสิ่งดีเขาจะป้องกันภัยจากทรัพย์ที่ภัยที่จะเกิดจากพระราชาภัยที่เกิดจากน้ําจากโจรจากไฟได้ด้วยควา ม, มที่เราสงเคราะห์อนุเคราะห์กันอย่างนี้อโลกมันจะไปได้ไงครับะจะต้องมีการให้ใช่พลีกรรมตรงนี้เพราะคุณมีพลีกรรมตรงนี้เนี่ย มันจะเป็นการป้องกันอันตรายไปในตัวด้วยเลยอืมอันนี้เป็นพระวจนะนะครับเแบบประเด็นนี้รู้สึกเอมบ้านที่มีคนเข้าออกมีคนมาดูแลบ้านนั้นจะไม่ค่อยมีขโมยขึ้นอาโจรจะอุ๊ยมีมีคนระแวดระวังไขให้เขาจะยิ่งยกย่องสรรเสริมว่าเออบ้านนี้ดีนะแม่ทาประโยชน์อย่างเงี้นะครับแต่ว่าบ้านที่เงียบเงียมืดมืดมีคนอยู่คนเดียวครับโจรมันจะเลงวละอืะอ่ายิ่งยิ่งที่มีเงินมากๆ ไม่มีใครใช้ใช่ไหมฉันเอาซะละนะมาอย่างนั้นไปอันนี้พระเจ้าเคยพูดเปรียบเทียบกับสระโบคกรณีสระบกรณีครับที่มีท่าน้ําแล้วก็มีคนมาใช้สถานที่อย่างวัดอย่างเงี้ยวัดต้องเริ่มเติ่มเตมแล้วก็ไม่มีใครอยู่เลยแหมมันก็เสียดายเนาะถ้าเรมีการปฏิบัติธรรมให้พระนี่มาปฏิบัติเพื่อหลีกเล้นอันเนี้ยถึงเรียกว่าเป็นเหมือนกับสระโบกกรณีแต่ที่มีท่านน้ําขึ้นลักษณะนี้ครับแล้วก็ยังต้องแบ่งซับําเป็นบุญ บนะแบ่งซัพ์มันเป็นบุนบรรพินะุนนี่ก็บํรเพ็นกับบุคคลที่สมควรเพียรเพื่อที่จะเผากิเลสครับ บ, ร บ, บุญก็เหมือนอย่างที่ได้บุญมากที่สุดก็คือระดับของอริยะสงฆ์อย่างนี้ใช่ไหมครับ เ, เนื้อนาบุญอย่างนี้ใช่ไหมครับพระเจ้าระ บ, บุอย่างนี้พูดถึงสมณพราหมณ์คนไหนก็ไนดะนะ้ที่เป็นผู้งดเว้นจากความประมาทัวเมาตั้งอยู่ในขันติสระจะฝึกฝนทําความเปลียนแก่ตนเองครับอย่างนี้ ถ้าเราเจอใครแบบนี้จะเป็นพระสงฆ์เป็นคารวาสเป็นผู้ขาวเป็นคนศาสนาไหนก็ได้เป็นคนพูดภาษาอะไรก็ได้คุณควรส่งเคราะห์เขา ค, คุณควรตั้งทักษิณาทานนี้ให้เขาได้อือุทิศเพื่อคนนี้ได้นี้ถึงจะเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าบริโภคอย่างนี้ก็จะเป็นผู้ที่บริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลพุะรชาเปรียบเทียบตรงนี้คนที่ทําตรงนี้ได้นะเดี๋ยวยังไม่จบยังมีส่วนหนึ่งด้วยคือ คือถ้าครูเราพูดถึงเรื่องเงินเข้านะเราพูดถึงเรื่องเงินออกไปแล้วเงินเข้ามีสองทางใหญ่นะคือทางที่เป็นอริยทรัพย์กับทางที่เป็นทางโลกแต่ทางโลกนี่ยังแบ่งได้อีกเป็นสทางย่อยใช่ทำความเพียรทำเองก็ได้ให้ทำก็ได้อาชีพก็ได้พูดเรื่องพวกนี้นะทางออกทางออกก็จะมีอยู่สทางนสี่ทางเกินถึงทางใหญ่มีทางเดียว แล้วก็ทางที่จะให้เราตกอบายก็มีอยู่หกทางเจ็ดทางด้วยกันอทางใหญ่ทางเดียวที่เราพูดถึงถึงจะเหมาะสมเนี่ยก็จะมีอยู่คือเลี้ยงตนเลี้ยงคนที่อยู่ในทิศที่ทั้งสี่ที่สองคือต้องใช้จ่ายป้องกันทรัพย์ที่สามทำอนุเคราะห์สงเคราะห์คนอื่นนะทําปลีกรรมพลีกรรมอืแล้วการที่สี่เนี่ยแบ่งทรัพย์บาเพ็ญบุญคนที่ทําอย่างนี้นะคนที่ทําอย่างนี้นะแต่พุทธเจ้าบอกว่า เป็นผู้ที่รู้จักการได้มาของโพกรัพั์เนี่ยรู้จักการสิ้นไปของโพกทรัพั์เนี่ยแล้วดํารงตนให้อยู่โดยถูกต้องอย่างนี้ถึงจะถูกแต่ถ้าเรารายได้มากมากๆๆแต่ใช้จ่ายทัพย์น้อยคือขาเข้าเนี่ยมากมากแต่ขาออกอแต่ขาออกนี่ยีดนิดเดียวเองครับแล้วก็มีรูเราสมมติเราปิดรูหมดนะปิด ร, รูหมดรูรั่วปิดให้หมดแต่ขาออกตีบนิดเดียวเนี่ยก็จะมีคนด่าว่าว่าคุณใช้ใจ่ายทรัพย์อย่างาประนีประน อ, อ, อม หากัดขัดขสนเกินไปครับอมันอั้นอยู่หลอดเลื่อนไปไม่ได้อครับแต่ถ้าทางเข้านิดเดียวทางเข้านิดเดียวทางออกบาลเลยอืทางออกเยอะมากใหญ่มากรูรั่วกะเต็มเลยอย่างเงี้ยนะเป็นหนี้บานเหมือนกันเหมือนพวกกินผลมะเดื่อครับคือคิดดูมันไม่เหลืออะไรมันมีแต่ความกลวงอกลวงอยู่แล้วนึกภาพออกไหมเข้าเล็กนิดเดียวออกเบลล์มเลยก็ในไม่มีอะไรมีแต่ความกลวงหนี้สินเต็มไปหมดอันนี้ก็ไม่ดี แต่ถ้าเรารู้จักการได้มาของโวซั์รู้จักการสิ้นแปขงโวซั์แล้วดำรงตนให้อยู่โดยถูกต้องนะคะเข้าพอดีกับขาออ ก, ออกพอดีพอดีกันรับมีการเก็บเงินด้วยไม่มีรูรั่วมีขาเข้าสองทางทั้งข้างทั้งบนทั้งข้าง ๆ, างๆขาออกก็มีทางออกไปทางนี้สี่ทางนะเหมือนหัวใจอ่ะทํางานอย่างดีปัมป๊มเข้าปั๊มออกเงี้ยก็จะสมดุลอยู่ได้อยู่ได้เป็นราปีอืมครับใชครั บ, รบแล้วก็ในเรื่องนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นจิตของเรานะ จิตของเราจะต้องไม่มีความลำเอียงสี่อย่างคือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะหลงต้องไม่มีจิตของเราจะต้องไม่มีกรรมกิเลสคือให้อยู่ในศีลศีลสี่สข้ อ, อพูดใหม่ศีลเจ็ดข้อก็ได้ก็คือศีลหใช่ไหมแล้วเอาข้อวาจากับข้อสุราออกไปแล้วก็วเอาสัมมาวาจามาใส่แทนก็จะเป็นศีลเจ็ดข้อเข้าใจไหมอือคือไม่รักทรัพย์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ประพฤติผิดในการ แล้วก็ไม่พูดจ่อเสียดไม่พูดปดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพอเจออ์อย่างนี้จิตของเราต้องเป็นอย่างนี้แต่แล้วเราต้องอย่าลุ่มหลงมัวเมาในเงินตรงนี้ครับเอแล้วถ้าเรามีสามอย่างนี้ได้จิตของเรามีสามอย่างนี้นะเราจะสามารถเงินเข้าเงินออกเนี่ยได้อย่างดีคเข้าใจไหมคือถ้าพูดถึงจิตของคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะมีกระแสเงินเข้ามาตรงนี้มีกระแสเงินออกไปอย่างนี้จิตของเขาเนี่ยมีสามอย่างนี้ นั่นคือไม่ลำเอียงพระรักโลภหลงไม่เป็นคนมีศีลแต่เป็นคนมีศีลแล้วก็ไม่ไม่รุ่มหลงในทรัพย์นั้นแล้วยังปิดอบายมุกได้ทั้งหมดหทางเนี่ยคุณจะเหมือนหัวใจที่ไม่มีรูรั่วเหมือนหัวใจที่ไม่ลิ้นหัวใจรั่วนะมันก็จะเปิดปิดได้ไม่ดีหรือเลื่อนเลือดหัวใจไม่ตีบมันก็จะทํางานได้อย่างดีในมุมมุมของศีลที่บอกว่าเนี่ยคือการปฏิบัติในศีลเนี่ยก็คือการเหมือนกับว่า รักษาหรือว่าเพิ่มพูนโพกษะทัพย์ด้วยใช่ไหมครับคือถูกต้องีเป็นไปเพื่อโพกษัพย์อันนี้จะเป็นหนึ่งในอริยทรัพย์อีกแล้วครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นพระเจ้าเคยพูดเอาไว้บอกว่าพอมีศีลเนี่ยทำให้จิตใจเราศีลเนี่ยเป็นไปเพื่อโพกษัพย์ในลักษณะที่ว่าจิตใจเราจะดีจะสบายโพกษะทรัพย์ที่ได้มาอยู่แล้วจะไม่สิ้นไปครับเป็นทางมาเพื่อโพกษัพย์ตรงนี้ แล้วจิตเราจะสบายในกรณีที่ว่าเราจะคิดอ่านการงานได้นะไม่มีความร้อนใจพอไม่ร้อนใจแล้วใจมันสบายใจมันสบายแล้วมันทางานได้อย่างเต็มที่สติเต็มร้อยนี่คือศีลจึงเป็นไปเพื่อโภคทรัพย์ในลักษณะนี้เป็นเหมือนกับอริยทรัพย์ทรัพย์มาจากฟ้าับฝนตกลงมาเป็นเงินอืมครับทั้งหมดนี้นะทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับเหมือนกับพึ่งสร้างรังครับพึ่งสร้างรังนะหรือว่าเหมือนกับปลวก สร้างจอมปลวกรมีคนเคยพูดบอกว่าอที่ยิ่งกว่าปลวกเนี่ยคือจอมปลวกยิ่งกว่าจอมปลวกนี่คือนางพญาปลวกอืนางพีาปลวกเจยเป็นตัวบัญชาการสิงนะคโปรอพญาพึ่งเขาเรียกว่าเลยนะพญาพึ่งก็พึ่งตัวแม่มันนะครับครับพึ่งตัวแม่พึ่งตัวแม่เนี่ยก็จะเป็นตัวบัญชาการพึ่งงานทั้งหมดรปลวกตัวแม่นางพญาปลวกเนี่ยก็จะเป็นตัวบัญชาการ ปลวกงานทั้งหมดใช่ครับนี่แหละนี่แหละครับจิตของเราก่อนจิตของเราต้องไม่มีรูรั่ว6 7ทางนี้จิตของเราจะต้องมีเสนจิตของเราจะต้องไม่มีความลำเอียงไม่มีความรุ่มหลงหนะาทรัพย์ด้วยวิธี4อย่างนี้ใช้ใจ่ายทรัพย์ด้วยวิธี4อย่างโน้ t เราจะไปได้ปลวกจะสร้างรังขึ้นมาได้พึ่งจะสร้างรังขึ้นมาได้สะระโบคดานีท่าน้ําจะมีคนมาใช้อย่างดีสบายใจได้ครับคุณจะเป็นโสด คุณก็เป็นโสดอย่างสบายใจคุณออจะเป็นคนมีทรัพย์มีคู่มีลูกคุณก็จะมีคู่มีลูกได้อย่างดีครับนี่แหละคือสุดยอดของผู้บริโภคการครับพระอาจารย์ครับในกรณีของการใช้เงินเนี่ยอย่างอย่างการเก็บออมเนี่ยอยู่ในหมวดของการใช้ไหมครับถูกต้องคือเราเรารู้สึกว่าถ้าได้ได้มาร้อยแล้วใช้ออกร้อยเนี่ยมันก็จะมันไม่ไม่ไมีเซนว่าเราจะต้องเก็บไว้อ๋อ ตรงนี้ก็คือนี่ไงพุชธเาพูดถึงการเก็บเงินเอาไว้ใช้ในยามยากมีมีพุทธวจนะตรงนี้ก็คือป้องกันอันตรายตรงนี้ไงเราต้องเก็บเงินไว้ในการป้องกันอันตรายครับที่จะเกิดจากโจยอย่างน้ําท่วมอ่ะถ้าคุณไม่มีเงินสักร้อยเท่าของเงินเดือนที่คุณมีนะคุณสวยเลยใช่ครับลําบากเลยเอาแค่งง่ายๆคนอยู่ตามโรงงานไปเงินเดือนอยู่ตามโรงงานอนะนะพอโรงงานปิดเท่านั้นแหละโอ้โหเครียดเลย ไม่มีเงินทำห6เดือนนี้ก็ตายแล้วนะแต่ถ้าเขามีเงินเก็บเป็นอย่างน้อยสิบถึงยี่สิบเท่าของเงินเดือนที่เขามีทุกเดือนทุกเดือนคุณเดือนลอเดือนละห 0,000 ื่นครับไม่ต้อง5 0,000 ื่นก็ได้เดือนเดือนละร้อยบาทครับเงินเดือนเดือนละร้อยบาทเนี่ยคุณต้องมีอยู่ในธนาคารคุณนิ่งๆเลยนะไม่ใช้อะไรไม่แตะต้องอะไรอย่างน้อยหนึ่งพันบาทคือสิบเท่าของเงินเดือนที่คุณมีคุณมีเดือนละ หนึ่งบาทใช่ไหมคุณต้องมีอยู่ในสถานการณ์นิ่งๆแสนห<ซ>นึ่งแสนบาทบเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามยากคุณยังตกงานอยู่ได้สิบเดือนอันนี้คือคภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติเกิดภัยที่เกิดจากน้ําครับป้องกันภัยที่เกิดจากน้ําตรงนี้เหนือไรม บ, บางทีไฟไหม้ทําไงตกงานตกงานตกงานเท่าไหร่คุณคิดว่าคุณจะหา ง, งานได้ภายในกี่เดือนคุณต้องมีอย่างเท่านั้นอย่างน้อยเดือนสําหรับคนทํางานนะครับคุณจะไม่ต้องไปพึ่ง คนอื่นไปพึ่งสังคมสงเคราะห์ซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ใช่ครับไม่ใช่ประเทศอื่นนะครับใช่แล้วยิ่งเป็นคนคู่มีลูกเนี่ยโอ้ยิ่งค่าใช้จ่ายบานเบอรใช่ครับแล้วเวลาป่วยทํำยังไงฮะโอ้ยิ่งคนป่วยขึ้นมาพุ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นทันทีตรงนี้แหละคือเงินที่เราจะต้องป้องกันเอาไว้นานในยามที่จะมีอันตรายครับคือพระเจ้าเนี่ยพูดถึงอ่แบ่งเงินเป็นสี่ส่วนใช่ไหมใช่ครับ อันนี้คือเป็นอีกพุทธวัจนะหนึ่งะแล้วก็เก็บไว้ในยามอันตรายนะหส่วนใช้จ่ายหนึ่งส่วนขอไปเก็บไว้ในยามอันตรายเนี่ยสี่สองส่วนเก็บหนึ่งส่วนแล้วก็ทําบุญอุทิศหนึ่งส่วนเก็บไว้ในยามอันตรายเนี่ยสองส่วนมีอีกที่หนึงเดี๋ยวจะหามาให้เพิ่มเติมตรงนี้ได้ได้ครับซึ่งก็จะสองส่วนตรงนี้มันจะมาสอดคล้องกับในเรื่องของทิศถตรงที่ว่า ป้องกันอันตรายหนึ่งส่วนใช่ไหมแล้วก็พลิกรรมหนึ่งส่วนครับอ๋อจะเป็นส่วนที่ป้องกันอันตรายรวมกันตรงนี้ได้ทีนี้ส่วนเนี่ยไม่ได้บอกว่าจํานวนเงินต้องเท่ากันนะอืมอืมครับก็ใช่ไหมไม่ใช่ว่าสีเป๊ไม่ใช่อย่างงั้นแต่ก็แบ่งให้มันเป็นส่วนๆอย่างนี้อาจจะไม่ต้องเท่ากันเราก็ต้องบริหารให้อย่างถูกต้องครับอันนี้ก็จะเรื่องการใช้เงินที่นมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกอย่างเช่นติดสินบนได้ไหมลงทุนในทองได้ไหมซื้อหุ้นได้ไหม S <S พวกนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่คุณจะต้องบริหารให้อยู่เป็นสุขอย่างถูกต้องน่ะลงทุนจะไปใช้งเงินส่วนไหนคิดว่าเราจะมาต่อกันในคราวหน้าอืมอืมดีครับโ อ, อตรงนี้จะเป็นรายละเอียดที่อืมอาจจะเจาะลึกได้ครับคือมันเป็นเรื่องคนบริโภกามที่ต้องใช้นะก็จะต้องพูดให้ทราบข้อมูลตรงนี้สักหน่อยนึ่งละครับอืมดีครับท่านการลงทุนคิดว่าถ้าถ้าท่านฟังทั้งหลายติดตามในเพียวธรรมะเนี่ยก็จะมีไดอะแกรมที่จะพยายามที่จะอธิบายตรงนี้ขึ้นมา ก็แล้วกันครับอืถ้าท่านผู้ฟังมีคําถามเพิ่มเติมในเรื่องของการใช้ทรัพย์ก็ส่งมาได้นะครับที่เพียวธรรมะดอทมนะครับอืมครับงั้นก็พบกันในคราวต่อไปครับคาถามต่างๆก็เลื่อนไปล่าวหน้าครับครับแล้วก็จะนมันการขอบพระคุณพระอาจารย์ภัยบูลคราวหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้จ่ายทรัพย์นะแล้วก็จะมาพูดถึงเพิ่มเติมกับวงกลมข้างนอกการอนุเคราะห์สงเคราะห์ การอุปการะและก็การตอบแทนบุญคุณให้บวงกลมมันไปได้ยังไงคอันนี้ก็จะหมอรัตนพงช่วยเตือนด้วยข่าวหน้ามาพูดกันเรื่องนี้ได้ครับแล้วค่อยมาพบกันในคราวหน้าครับอาจารย์ปราศรนทุกท่านครับครับและสวัสดีท่านผู้ฟังครับ